ส4ถ้าฝึกดับเวทนาจะไปเกิดในภูมิต้องห้ามวงเล็บเปิดยี่็ดกุมภาพันสองพห้าห้าสิในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีห้าวงเล็บปิดจุดสำคัญเราภาวนาไม่ใช่ว่าจะต้องมีปรากฏการแปลกๆขึ้นมาไม่มีในยะอะไรเลยเราถูกตำลาชั้นหลังๆมันหลอกเอาจุดสำคัญก็คือเมื่อเราไปรู้สภาวะตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีเราก่อน มีแต่สภาวะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเพราะตัวเราหายไปนะบางคนจะรู้สึกกลัวบางคนรู้สึกเวิงว้า ง, างไม่มีที่พึ่งบางคนรู้สึกเบื่อมันก็เป็นยานอยู่กลุ่มกลางๆคืออาทีนาวานญาณพยพภูตปัตตฐานใญาณ น, นิพิทายานอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีนัยยะอะไรพอใจมันเบื่อใจมันกลัวอย่างนี้เราก็รู้ตามไปอีกเห็นความเบื่อความกลัวอยู่ตัางหากใจอยู่ตังหาก พอใจตั้งมั่นขึ้นมามันจะไม่เกิดการดิ้นรนทํางานสภาวะธรรมเกิดแล้วก็สักว่ารู้สักว่าเห็นถ้ายินดียินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันอีกยินดียินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันอีกในที่สุดจิตก็ไม่ยินดียินร้ายรู้ด้วยความไม่ยินดียินร้ายรู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อตัวนี้ตัวสําคัญที่สุดเลยการปฏิบัตินะเราอุตสาหธรรมถ้าเป็นแทบตายก็เพื่อมุ่งมาสู่จุดนี้เองจุดที่เรารู้สภาวะแล้วไม่ปรุงแต่งต่อ ทีนี้ถ้ารู้แล้วปรุงแต่งต่อคือสร้างพบอันใหม่ขึ้นมาอีกปรุงแต่งขึ้นมาก็ห่างไกลมรรคผลนิพพานออกไปถ้าไม่ปรุงต่อนะเห็นเลยทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเรื่อยกลางอย่างแท้จริงนะพอถึงจุดที่มันอิ่มมันพออริยมรรคจะเกิดขึ้นจิตที่ไม่ปรุงแต่งต่อด้วยความเป็นกลางด้วยปัญญานี่เรียกว่ามันมีสังขารุปเปกขาญาณคือมันมีปัญญาจนมันเป็นกลางต่อสังขารคือความปรุงแต่งมันจะเห็นสุขและทุก เห็นดีและชั่วเสมอภาคกันใจเป็นกลางจริงๆไม่ใช่ว่าเห็นทุกขเวทนาไม่ชอบเห็นสุขเวทนาชอบมันเห็นว่าทุกอย่างเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์กุศลและอกุศลก็เสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เพราจิตเดินมาสู่จุดนี้นะจิตจะไม่ทํางานต่อแล้วจิตหมดความปรุงแต่งจิตจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งหรือเห็นนิพพานทีนี้มันมีกิเลสอยู่ตัวหนึ่งที่นักปฏิบัติต้องประจญทุกคนแหละ คือในขณะที่เราตามรู้สภาวะธรรมเกิดดับไปเรื่อยๆนะมันจะมีกิเลส ท, ที่ชื่อว่ากุกกะกุจจะเกิดขึ้นคือกิเลสว่าเมื่อใดจะได้สักทีตัวนี้เป็นตัวหลอกหลอนที่ร้ายกาจมากให้รู้ทันลงไปอีกเช่นเดียวกับกิเลสตัวอื่นๆในสมัยพุทธกาลพระอนุรุทธภาวนาได้ธรรมะชั้นต้นๆแล้วและท่านได้ทิพยาจักษุด้วยท่านก็เที่ยวดูโลกธาตุทั้งหลายเห็นโลกธาตุเกิดดับ เห็นสัตว์เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายนี่ดูเกิดดับเหมือนกันนะดูไปหลายวันแล้วชักหงุดหงิดไม่บรรลุจึงไปถามพระสารีบุตรว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญกระผมมีทิพยจักษุเลิศ ก, กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกาธาตุเกิดดับในเวลาครู่เดียวปิดเครื่องหมายคำพูดคือเจโตท่านวัยทิพยจักษุท่านวยดูเห็นเกิดดับเว็บแวเบแวบไปเครื่องหมายคำพูดเปิด ทำไมผมไม่บรรลุพระอารหันต์เสี้ีปิดเครื่องหมายคําพูดพระสารีบุตรจึงแยกแยะให้ฟังบอกว่าที่ท่านบอกว่าท่านมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ท่านมีมานะหรืออีโก้ว่ากูเก่งกูเก่งนี่เป็นกิเลสตัวที่หนึ่งท่านเที่ยวดูโลกธาตุเกิดดับทั้งพันโลกทําไมไม่ดูตัวเองไปดูข้างนอกนั่นคือจิตฟุ้งซ่านคืออุทัศจจะแล้วก็ที่ท่านบอกว่าทําไมไม่บรรลุพระอารหันต์เสีี อันนี้คือกิเลสชื่อก ja ูกะกุจจะมันเป็นโทสะชนิดหนึ่งใจมันหงดงิดว่าไอ้ของดีๆยังทาไม่ได้หรือไปทำของไม่ดีเข้าเรียกว่าก ja ูกะกุจจะคือใจมันร้อนขึ้นมาท่านบอกให้ละสามอันนี้น้อมใจไปสู่อมตะาธาตุแล้วท่านจะบรรลุพระอารหันต์โดยเร็วละธรรมะสามอย่างนี้ก็คือละความถือว่าตัวกูเก่งกูเก่งนี่ให้รู้ทันมันลงไป ละด้วยความรู้ทันนะเพราะว่ากิเลสทั้งหลายอยู่ในสังขารขันหน้าที่ของเราต่อสังขารขันคือการรู้ทันถือตัวว่าแน่ดูไปจิตฟุ้งซ่านเที่ยวดูโน่นดูนี่ก็ให้รู้ทันจิตเร่าร้อนขึ้นมาว่าไม่ได้เซทีก็รู้ทันลงไปน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุเป็นธาตุที่ไม่ปรุงแต่งคือรู้ทันจิตใจจนเขาหยุดความปรุงแต่งไปเหลือแต่ธรรมชาติรู้ล้วนๆเลยไม่ปรุงต่อ รู้แล้วไม่ปรุงต่อตัวนี้สำคัญนะรู้แล้วจบลงที่รู้แต่มันจบด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่จบด้วยการบังคับไม่ใช่ด้วยการกำหนดหลวงพ่ออ่านตาราของอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าให้เรากำหนดไว้เพราะตาเห็นรูปให้กำหนดไว้หูได้ยินเสียงให้กาหนดไว้เพื่ออะไรเพื่อตัดเวทนาถ้าไม่มีเวทนาจะได้ไม่มีตัณหาไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปทานไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีทุกข์ อันนี้มุ่งกำหนดไปเพื่อตัดเวทนาเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงเลยเวทนาเป็นธรรมชาติหรือเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงไม่มีใครตัดได้ตัดได้แต่ทุกขเวทนาสุขเวทนานะเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นอุเบกขาเวทนาฉะนั้นอย่างไรอย่างไรเวทนาก็มีเพราทุกขเวทนาเกิดขึ้นโทสะก็แทรกสุขเวทนาเกิดขึ้นราคะก็แทรกอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นโมหะก็แทรก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 อย่างพวกเราพอมีสติขึ้นมารู้สึกไหมว่าไม่มีเราร่างกายไม่ใช่เราแล้วเป็นของถูกรู้ถูกดูเวทนาก็ไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดูแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ไล่มันก็ไม่ไปนะดังนั้นถ้าไปภาวนาดูทีไรเวทนาดับทุกทีนี่อาการน่าเป็นห่วงแสดงว่าเพ่งเก่งดูลงไปเรื่อยๆเลยจนเห็นขันแต่ละขันไม่ใช่เราตอนที่เรามีสตินะพอเห็นซ้าๆซ้าเนี่ย ปัญญามันเกิดขึ้นมามันยอมรับสภาพว่าไม่มีเราจริงๆตอนช่วงแรกๆที่เห็นว่าไม่มีเรามันจะกลัวก่อนบางคนกลัวบางคนรู้สึกเว้งว้างบางคนรู้สึกหาที่พึ่งไม่ได้บางคนรู้สึกเบื่อเพราะตัวเราหายไปแล้วโลกนี้น่าเบื่อเลยตัวนี้ให้รู้ทันลงไปถ้ารู้ทันก็รู้สภาวะต่อไปเห็นอีกจิตยินดีอินร้ายขึ้นมาจิตทางานจิตทุกข์จิตไม่ทางานจิตไม่ทุกข์ รู้ลงไปเรื่อยในที่สุดจิตจะรู้สภาวะโดยไม่ยินดีอินร้ายไม่เติมไม่ทํางานต่อพอไม่ทํางานต่อวัฏจักรนี้จะขาดลงขาดครั้งที่หนึ่งขาดชั่วคราวนะแวบเดียวเองเดี๋ยวก็ทําใหม่ตัดไปสี่หนนะสี่ครั้งจิตจะเหลือแต่กิริยาล้วนๆเลยคราวนี้จิตไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรไม่ต้องรักษาแล้วแต่ว่าไม่ใช่มีสองชั้นนะธรรมะของแท้ของจริงเขาเรียกว่าจิตหนึ่ง ไม่ใช่จิตสองชั้นหรอกจิตที่ยังเป็นสองชั้นยังเป็นคู่อยู่มีในมีนอกอยู่เพราะว่าเราไปภาวนามุ่งตัดเวทนาตัดไปตัดไปนะดับลงไปดับความรู้สึกลงไปเพราะวิธีที่จะตัดเวทนาได้ดีมันมีสองอันเองอันหนึ่งก็คือเข้านิโรธสมาบัติซึ่งปุถุชนเข้าไม่ได้อีกอันหนึ่งที่ปุถุชนทําได้นะคือเข้าอสัญญาสัตตาภูมิคือพรมลูกฟักถ้าจิตดับลงไปก็ไม่มีเวทนาแล้ว ดังนั้นที่ฝึกเพื่อดับเวทนานะมันจะไปสู่อสัญญาสัตตาภูมิแต่ถ้าฝึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ลงไปสภาวะแต่ละตัวไม่มีเรานี่จะค่อยละความเห็นผิดว่ามีเราต่อไปดูไปอีกก็จะละความยึดถือในรูปในนามเป็นสองชั้นชั้นแรกละความเห็นผิดอย่างพวกเราดูรู้สึกไหมความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่เราดูออกไหมความโลภไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรา ร่างกายไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองแต่กว่าจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราหมายถึงจิตจะต้องตั้งมั่นขึ้นมาแยกรูปแยกนามออกจากกันทีนี้การปฏิบัติหลายคนนะฝึกแล้วมันเพิ่มอัตตาไม่ใช่ลดอัตตานะแต่มันเพิ่มอัตตาอย่างพยายามกำหนดให้มีรูปอันเดียวไม่มีนามพยายามบังคับนั่นเองทั้งที่ของจริงมันมีทั้งรูปทั้งนามแต่ไปดัดแปลงมัน ไปบังคับให้เหลือรูปอันเดียวเพ่งแต่รูปอันเดียวเพราะว่ามีนามแล้วมันมีความทุกข์ได้มีแต่รูปไม่มีความทุกข์เพราะรูปไม่มีความทุกข์นะรูปเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้อารมณ์รูปไม่มีความทุกข์นี่ฝึกไปเรื่อยๆรู้สึกกูเก่งกูเก่งนะพอตายไปก็ไปเป็นพรหมลูกฟัก จากนั้นจุติจากพรมลูกฟักเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เกิดระลึกชาติได้พวกนี้จะเกิดมิจฉาทิฐิชนิดหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายนี่อุบัติขึ้นเองอยู่ๆก็อุบัติขึ้นเองไม่มีเหตุหรอกเพราะว่าระลึกไปว่าชาติก่อนนี้ไม่เห็นมีจิตเลยอยู่ๆจิตก็โผล่ขึ้นมาเองอันนี้ส่วนมากจะไปเป็นนิยตมิจฉาทิฐิ คือมิจฉาทิิฐาวรพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะไม่ไปเกิดในภูมิของอสัญญาสัตตาเลยเป็นภูมิต้องห้ามเลยดังนั้นเราอย่าน้อมใจให้ดับลงไปนะ